วันนี้ขึ้นหน้า8ดเปิดหน้า8เป็นข้อสปมปฐมวิพัฒน์ในอัดเหตุตุกตาเหตุตุกตาเราดูวาจบมารู้แล้วลว่วาเหตุตุกตาโครงสร้างเป็นอย่างไรโครงสร้างเหตุตุกตาถ้าจาไม่ได้ก็ย้อนคืนไปดูใหม่นู่นอ่ะ <S <S ก่อนสารบัญหลังสารบัญใหม่ๆบทต้นๆบทแรกหน้าหน้าสามอ่ะดูหน้าสาม หน้าสหลักของเหตุตุกตาข้อสเหตุตุกตาปธรมาเหตุตุกตาทุติยากังริตกรรมทุติยากธิตกรรมกิริยาเหตุตุกตุวาจกตัวตัทยาวิพัฒน์เป็นกัดเอาไม่ใช่ตัทยวิพัฒน์ตัวปธรมาวิพัตน์เป็นผู้ใช้ตัวทุติยาวิพัฒน์เป็นผู้ถูกใช้ตัวทุติยาวิพัตน์เป็นผู้รับกรรม และกิริยาก็เป็นเหตุุกรรมคือมีอไม่ใช่เหตุกรรมขออภัยกิริยาเป็นเหตุุกัรมีเนยะนาเปนาฝ่ยะปัจจัยตัวใดตัวหนึ่งอยู่ในรูปกิริยาด้วยดังนั้นในข้อสมหน้า8ดนี้กิริยาจะต้องมีเนนยะนาเปนาป่ายะตัวใดตัวหนึ่งให้เห็นแสดงความเป็นเหตุกุกตุวาจกกิริยานี้ ประธานไม่ได้ทํากิริยาเองแต่ประธานใช้ให้ผู้อื่นมาทํากิริยาแทนผู้ที่ถูกใช้ใทํากิริยาต้องลงทุติยาวิพัฒน์ถ้าท่านมีกรรมก็มีกรรมเป็นทุติยาวิพัฒน์ถ้าท่านไม่มีกรรมก็แล้วไปไม่ต้องมีกรรมอ่านหน่อยสิสาม ปทมาวิพัตน์ใช้ในอัดเหตุกัตตาท่านบอกว่าคาว่าปทมาวิพัตน์ก็คือลิงคัดถะนั่นแหละใช้ในอัดเหตุกัตตาเป็นอย่างไรทำหน้าที่เป็นประธานใช้ให้ผู้อื่นทากิริยาที่เป็นเหตุกัตตุวาจกตัวกัตตาตัวนี้ต้องมีบุรุษและวจะนะตรงกับกิริยาเราดูตัวอย่างข้อหนึ่งสามิโกสูทังโอทังปาเจติปาเจติเนี่ย ตัวประธานก็จะต้องเป็นปัทมาวิพัตเอกพจน์เหมือนกันรูปรูปไหนสามิโกสูทังหรือโอทนังสามิโกสามิโกตรงกิริยาไหมเป็นประธานถ้าตรงก็เรียกว่าเป็นประธานทํากิริยาเองไหมให้ใครทำอาละตอนนี้มีกิริยาว่าหุงพ่อครัวเนี่ยจะให้เข้าไปหุงพ่อครัวหรือจะให้พ่อครัวไปหุงข้าว เรายังไม่ต้องเก่งบาลีมากก็พอจะเดาความได้ดังนั้นก็จะรู้ว่าตัวไหนเป็นกรรมของปัจจัยตัวไหนเป็นกรรมของธาตุสูทังโอทนงังสูทังเป็นกรรมของปัจจัยแปลว่าใช้แปลว่ายังโอทนังเป็นกรรมของธาตุว่าหุงหุงข้าสามิโกเจ้านายผู้บังคับบัญชาถ้าทุกวันนี้ก็ คนพอมีสถานะมีลูกน้องมีคนใช้ในบ้านมีพ่อครัวแม่ครัวก็าอาจจะเรียกว่าคุณผู้ชายคุณผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยสามีโกก็เจ้านายผู้ชายสูทังยังพ่อครัวทุติยาวิพัฒน์ในอัดใช้ท่านจะแปลว่ายังซึ่งสู่ยังสิ้นนะเอาคําแปลว่ายังเนี่ยมาใช้กับบุคคลผู้ถูกใช้ไปทำกริยาสูทังยังพ่อครัว ปาเจติย่อมให้หุงย่อมให้หุงไม่ย่อมก็ให้หุงเฉยๆโอทนังเป็นกรรมของทานก็แปลที่หลังท่านโอทนังซึ่งข้าวเจ้านายใช้พ่อครัวหุงข้าวปัจจัยสี่ตัวคือเนยะนาเปนนาปะยะแปลว่าอะไรได้บ้างใช้แล้วมีอะไรอีกขอร้องสั่ง บ, บังคับอ้อนวอนเชื้อเชิญและขอขอเลยประโยคนี้เจ้านายยังพ่อครัวให้หุงซึ่งข้าวเนี่ยอัดอะไรใช้สั่งบังคับขอร้องอัดไหนเจ้านายสั่งพ่อครัวให้หุงข้าวนั้นในเวลาเราแปลภาษาไทยเนี่ยก็ให้แปลให้ได้ตามภาษาไปเลยไม่ต้องว่ายังพ่อครัวเจ้านายยังพ่อครัวให้หุงข้าว มันก็จะไม่ได้เนื้อความแบบภาษาไทยแล้วก็บอกว่าพ่อเจ้านายสั่งพ่อครัวให้หุงข้าวใช้อัตว่าสั่งสงสัยไหมประโยคนี้แฟเลยสามิโกสามิโกเจ้านายสูทางสูทางยังพ่อครัวปาเจติย่อมให้หงโอท่านังซึ่งข้าว ใครแปลยังไม่ได้ยกมือจะให้แปลแปลได้หมดแล้วดูรูปกิริยาหน่อยเพราะว่าใครก็ตามเก่งกิงกริยาชื่อว่าเก่งประโยคทั้งประโยคกิริยาปาเจติปจธาตุปจัปจัยอะไรเนปัจัยถูกไหมปจกับเนทาไมเป็นปาเจทำไมไม่เป็นปจเน ปัจเนติทำไมไม่เป็นทำไมเป็นปาเจติปัจจะเป็นป้าเอาอาเทศสิปัจจะเป็นปามุทิสระตัวแรกของธาตุเป็นอะก็ให้วุทิเป็นอาเป็นอีก็วุทิเป็นเอเป็นออูก็วุทิเป็นโอปจะนะเป็นอ่ะก็วุทิเป็นอาปัจเเนจึงเป็นปาเจแล้วก็ประกอบวิพัตต์เป็นปาเจติ ะจะแปลวะ่าหงเง่แปลว่าให้ติแปลว่าย่อมหุงให้ย่อมทางเรียงลำดับอะ่ะแต่บาลีมันย้อนคืนก็ย่อมให้หุงข้อสองดูต่อไปนะมาตาปุตตังพิขุสะปินดาปาตังททาเปติทัธาเปติมองหาประธานก่อนเอาจากกิริยาเป็นหลักเลยกิริยาเป็นแบบไหนประธานเป็นแบบนั้น กิยาเป็นเหตุกัดประธานก็ต้องเป็นเหตุกัดมาตาเป็นสีปฐมาปุตังเป็นอังธุติยาพิกุศะเป็นจตุถีปินปาตังเป็นธุติยาทั้งหมดนี้ตัวไหนเป็นประธานม า, มาตาแปลวะ่มามานดาพุตังยังบุรขอบุรใช้บุรสั่งบด ท, ทัทาเปติ ให้ถวายให้ถวายปินดาปาตังซึ่งซึ่งบินท บ, บาทแก่ใครบบพิกุสะแกภิก ษ, กกษุไม่มีต้องสงแล้วรูปเดียวพิกุสะมารดาขอให้บุรหรือว่าใช้บุรให้ถวายอาหารบินท บ, บาทแก่พิกษุมาตามารดาปุตตังยังบุรททธาเปติ ย่อมให้ถวายปินดปาตังซึ่งบินทบาทภิกขุสะแก่ภิกษุมารดาใช้ลูกใส่บาตรพระความหมายง่ายๆแม่ใช้ลูกไปใส่บาตรพระใครทำอย่างนี้มั่งใครให้ลูกใส่บาตรบ้างใครมีลูกแล้วคนไม่มีลูกก็ไม่มีสิทธิจะได้ยกมือนละลูกบางคนแม่ให้ใส่บาตรวิ่งหนีเลยแมว อยากใส่ไปใส่เองเด็กแล้วก็หนีไปเลยภาษาไทยโบราณว่าตักบาทเพราะว่าตักแล้วก็ใส่ในบาทตักบาทนี่เฉพาะภาคกลางนะภาคเหนืออีสานไม่ได้ตักเลยขยุ่มบาทข้าวเหนียวไม่ไม่มีที่ตักเลยข้าวเหนียว่มือขยุ้มขยุ้มจากกระติบแล้วก็ใส่ไม่รู้ใส่ทำไมเพราะทุกบ้านก็ใส่ข้าวเหนียวเหมือนกันหมดข้าวเหนียวเต็มบาทเป็นก้อนเดียวเลย ใส่แต่ข้าวเหนียวอย่างเดียวกับข้าวไม่ใส่นะกับข้าวเนี่ยเวลาก็ใส่บาตเสร็จแล้วเขาก็จะทําภาชนะใส่ข้าวใส่แกงหิ้วตะข้าไปวัดต่างหาที่ใส่แต่ข้าวพอบ้านไหนไปวัดเดินผ่านบ้านไหนบ้านไหนไม่มีโอกาสจะได้ไปก็ฝากฝากอ้าวฝากฝากฝนะคนเดินไปวัดถ้าอยู่ท้ายบ้านหน่อยหิ้วสองมือเต็มพลุงพลังให้หมดผัดกันชาวบ้านคนไปเชา้า ก็ไม่ไปเช้าคนไปเพนก็รอไปเพนฝากกันเป็นทอดทอดทาทาเปติธาตุอะไรปัจจัยอะไรวิพัตอะไรธาธาทาที่แปลว่าให้ก็คือทาที่มันมีททหารสองตัวเคยบอกแล้วว่ามีการซ้อนทาให้เป็นทาทาแล้วก็รัศศตัวหน้าเป็นททาาเห็นเปเปเนี่ยปัจจัยอะไรนาเปนาเปปัจจัยใช้ในอัตว่าให้ ติก็เหมือนเดิมแปลว่าย่อมย่อมให้ถวายย่อมให้ให้ลองแปลทีนี้มาตามาตามาตาปุตตานันปุตติทาเตติย่อมให้ถวายบิณฑบาตซึ่งบิณฑบาตภิกษกดิแ ก, แกพิสุถวายอาหารบิณฑบาตแกพิสุ ต่อไปข้อสามพักริยาสามิกังอัตโนโกัมมันตังการเรสิกางเรติการเรติแปลว่าใช้ให้ทาขอให้ทาให้ทามีอยู่แล้วนี่ไงขวามือสับควรรู้นี่มีอยู่แล้วให้ตาไว้ก็เห็นเอ๊ะคนอื่นเขาทำไมแปลเก่งจังพูดปุ๊บแปลปุ๊ บ, บ, บ, บก็มีอยู่นี่ไงสับควรรู้ให้แปลให้เลยบอยพังริยา ภรรยาสามีกังยังสามีใช้สามีของร้องสามีการเรติย่อมให้ทำกรรมมันตังซึ่งงานซึ่งงานอัตโนของตนตนไหนอะ่ะอ้าวแล้วสามีจะทํางานสามีแล้วจะทําไมต้องให้ขอร้องคําว่าของต น, นไม่หมายถึงของภรรยาเพราะประธานในที่นี้คือภรรยาไง ของประธานถ้าจะบอกว่าภรรยาขอให้สามีทํางานของสามีคําว่าของตนนี่หมายถึงของประธานภรรยาของร้องสามีให้ช่วยทํางานของตนอา่าแปลภรรยาภรรยาภรรยาสามีสามีการ เริ่มจะเก่งขึ้นเรื่อยๆต่อไปข้อสี่อาจังริโยสิทิเสปาลิภาสังสัจชาเปติอาจังริโยอาจารย์สิทเส ท, ทั้งหลายพรอหูพจน์นะโยเป็นเอทั้งหลายสัจชาเปติย่อมให้ทองปาลิภาสังซึ่ง อันนี้จะขอร้องหรือจะสั่งข้าสั่งเลยอาจารย์เนี่ยอาจารย์สั่งลูกศิษย์ให้ท่องภาษาบาลีเลยอันนี้ต้องใช้อัดว่าแนะนําอาจารย์แนะนําศิษย์ให้ท่องภาษาบาลีตอนแรกครับแนะนําแต่ว่าตอนนี้เริ่มจะขอร้องแล้วครับตอนแรกแนะนําอัดนี่ท่องนะนี่ท่องนะก็ไม่เห็นท่องสักทีโอ๊ยท่องหน่อยเธออะไรอนยะ่างนี้ อืก้อยท่องะก่อนมันจําไม่ได้ก็รู้ว่าจําไม่ได้ตัวไหนครับสัชชาดูนะสัชชาเปติมาจากสัชธาต้นี่แหละสัชชอัจฉรินในการท่องบนสาธยายนะครับสาธยายมนก็ใช้ธาตุตัวเนี้ยสัชาธาต์เนี่ยตัวธาตุเลยที่เห็นเนี่ยสัชชาเนี่ยบางอาจารย์ก็บอกว่าสาทธาต์อย่างนี้ก็มีแต่สัทธาต์ก็สัธเทาทงนะสัทแล้วก็ลงยะปัจจัย เอาทยะเป็นชะแล้วก็ซ้อนชะแต่มันยุ่งยากอัชยัเนแปลว่าท่องแปลว่าสาทยายนาเปปัจจัยการเรตินั้นเนปัจจัยสัชเปตินาเปปจจัยต่อไปข้อห้าเศรษฐีมหาชนเนวิหารรังกางราเปติเศรษฐี<ม>ก็แปลว่าเศรษฐี<ม>ถ้าสำคัญนะก็ใส่ท่านนาหน้าว่าท่านเศรษฐี มหาชนเนยังมหาชนทั้งหลายโยเป็นเอต้องทั้งหลายด้วยยังมหาชนทั้งหลายการราเปติย่อมให้รรทําทําในนี้ถ้าศาลาถ้าวิหารเลยท่านใช้ว่าสร้างการราเปติย่อมให้สร้างก็คือทํานั่นแหละวิหารรังซึ่งวิหารท่านเศรษฐี ยังมหาชนให้สร้างวิหารใครๆสร้างบางวิหารนะไม่ใช่วิหารเป็นอาคารนะคำว่ า, าวิหารนะหมายถึงเขตที่ภิกษุจะสามารถอยู่ได้ด้วยอริยาบถ ท, ทั้งสี่ถ้าทากระต๊อบหลังเล็กๆอย่างเดียวเอาแค่นี้นะเดินไม่ได้ก็ไม่เรียกว่าวิหารต้องสามารถนั่งได้ยืนได้เดินได้นอนได้ในบริเวณเดียว จึงเรียกว่าวิหารคําว่าวิหารจึงแปลว่าที่อยู่ด้วยอุญญาตบทสี่ดังนั้นวิหารมักจะหมายถึงบริเวณไม่ใช่ไม่ใช่อาคารหมายถึงบริเวณอย่างเช่นทุกวันนี้วิหารเนี่ยไปหมายถึงศาลาหลังใหญ่ๆ ห, หรือไม่ก็ศาลาวัดที่เป็นวัดราชวัดหลวงอะไรพวกนี้อย่างวัดมหาธาตุนี่ก็มีนะมีอุโบสถหลังหนึ่งมีวิหารหลังหนึ่งสร้างคู่กันเหมือนกันทรงเดียวกันเทียบเลย แต่ว่าข้างในไม่เหมือนกันข้างในถ้าเป็นอุโบสถก็จะมีพระประธานข้างนอกก็จะมีเขตขันธสีมาส่วนวิหารนั้นไม่มีไม่มีพระประธานไม่มีถ้ามีพระประธานก็มีได้แต่ว่าขันธสีมาไม่มีเพราะว่าในวัดเดียวจะมีขันธสีมาหลายแห่งไม่ได้ต้องมีแห่งเดียวเท่านั้นคาว่าเขตสีมาก็คือไว้ทาสังฆกรรม ให้ภิกษุ ส, สงฆ์ได้ทำสังฆกรรมได้ส่วนนิหารนั่นก็เป็นที่บำเพ็ญบุญทั่วๆไปโยมมาถือศีลอุโบสถบ้างเป็นที่ฟังธรรมบ้างแต่ส่วนมากก็เป็นที่ฟังธรรมอันเดียวครับสีมาก็คือเสมาเสมาก็คือสีมาครับุทีอีเป็นเองครับสีมาแปลว่าเขตแปลว่าแดนต่อไปนะข้อหกราชาราชาปุริสัง เตจงเรอาธาเปติราชาพระราชาราชาปุริสังยังราชบุรุตยังราชบุรุษอาธาเปติให้นำมาให้นามาเตโจงเรซึ่งโจนทั้งหลายเหล่านั้น เตแปลว่าเหล่านั้นโจงเกรแปลว่าซึ่งโจรทั้งหลายเตโจเรเกรซึ่งโจรทั้งหลายเหล่านั้นก็คือพระราชากรับสั่งให้ราชบุรุษไปจับโจรเหล่านั้นมาร า, ราชปุตังราชปุตั ง, รตงหรือไม่ก็ราชโอรสังทาทาตุอาบน่าธาตุธาตาทาตอย่างเดียวแปลว่าให้ถ้ามีอาอย่างหน้าแปลว่าเอาเอามา อาทาเปติให้เอามาก็คือให้นำมาจับตัวมานั่นเองให้จับมาอย่างนี้ก็ได้นะพระราชารับสัง่งแห้รา ช, ชบุรุษจับตัวโจนเหล่านั้นมาให้จับมาอาทาเปติจับมาให้นำมาต่อไปข้อเจ็ดมหาเถงโกรพิขุกรรมฐานัางอุคันหาเปติอุคคันหาเปติอา้าวสับยากไม่มีเนี่ย สรรพควรรู้ไม่มีเขียนเพิ่มเขียนเพิ่มอุคันหาเปติแปลว่าวให้รับเอาให้เรียนเอาให้รับเอาก็ได้ให้เรียนเอาก็ได้ให้เรียนเอาให้รับเอามหาเถรโกรเป็นประธานแปลว่าพระมหาเถรพระมหาเถรพระพิคู ยังภิกษุทั้งหลายเป็นผู้โพสต้งทั้งหลายยังภิกษุทั้งหลายโอคันหาเปติย่อมให้เรียนเอาย่อมให้รับเอาให้เรียนเอาก็ได้ให้รับเอาก็ได้กรรมฐานนางซึ่งกรรมฐานต้องพระไหมต้องพระกรรมฐานไหมก็ทุกทีเห็นพากันว่านข้าพเจ้าขอสมานเทาทานเอาซึ่งพระกรรมฐาน เพื่อขณิกะสมาธิไม่ใช่เวลาสมาทานกรรมฐานกันขอสมาทานพระกรรมฐานไม่ผิดอะไรหรอกก็ใช้ได้รับจากพระพุทธเจ้าค่อยใช้ว่าพระถ้าสมาทานตัวเองก็ไม่ต้องพระนะกรรมฐานเลยขอสมาทานกรรมฐานเลยมหาเถงโกรพระมหาเถรละพิกขูยังภิกษุทั้งหลายอุคันหาเปติให้เรียนเอากรรมฐานนังซึ่งกรรมฐาน ให้ภิกษุเรียนอักรรมฐานอันนี้สั่งหรือบังคับหรือขอร้องอุคันหาเปติธาต์อะไรเห็นนาเปนะตัวอื่นล่ะตัวอื่นนาเปเปัจใจตัวอื่นคืออะไรบ้างว่ามาให้ครบอุบวัตนาอุบวกคหะบวกนาเปบวกติคหะธาต์แปลว่าถือเอาถ้าอุอยู่ข้างหน้าแปลว่าถือขึ้น ยกขึ้นในที่นี้หมายถึงเรียนหรือรับรับเอาก็ได้เรียนเอาก็ได้ต่อไปดูข้อแปดเป็นคาถาจากพระไตรปิฎกเล่มที่ยี่สิบห้าคาถาว่าอัตานังเมวะเป็นสนธินะก็เป็นอัตานเะมวะถ้าตัดออกมาก็เป็นอัตานังแล้วก็เอวะอัตานังเป็นอังทุติยาเป็นกัตตาของปัจจัยไอเป็น ร, รมของปัจจัย อั ต, ตานะเมวะตัดออกมาเป็นอัตานังเอวะปัธมังเป็นกิยาวิเศสนะปติกรูปเปเป็นสัตมีวิพัตนิเวสเยมาจากนิบทหน้าวะสธาต์แล้วก็เนปัจใจเอยะสัตมีนิเวสเยนะนิบวกวะบวกวิสะนิบวกวิสะบวกเนบวกเอยะ นิวิสะเนเอยะวิธีทรรมก็ลบนะ้แล้วก็วุธิวิเป็นเวลบน้แล้วก็วุติที่วิเป็นเอก็เป็นเวก็เป็นนิเวสะนิวิสะเป็นนิเวสะแล้วก็เหลือเนอขออภัยไม่ใช่เนรยะปัจจัยไม่ใช่เนปัจจัยขออภัยระยะปัจจัยใคยเห็นหรือยัง เอยะเป็นเอเคยเห็นหรื อ, อยังสัปดาห์ที่แล้วตอนแปลก็พาเปิดย้อนคืนไปดูแล้วนะอา้าวไปดูนี่ไงอยู่ตรงนี้เคยบอกแล้วตอนนั้นนะถ้าลืมแล้วก็ดูใหม่หน้าหนึ่งร้อยสี่สิบสี่วยากอนวยากอนหน้าหนึ่งร้อยสี่สิบี่สัตตมีวิพัฒน์เห็นไหมคัดเฉคัดเฉยะ เ, เห็นไหมเป็นคัดเฉก็ได้เป็นคัดเฉยะก็ได้คืออาเทศเอยะสัตตมีวิพัตน์เป็นเอ ถ้าไม่อาแทก็จะเป็นนิเวสเ ย, ยะเพราะเอยะเป็นเอก็เลยเป็นนิเวสเยดังนั้นรู้ว่านิเวสเ ย, ยเนี่ยมีการริตตปัจจัยอยู่ถ้าไม่มีแปลว่าตั้งตั้งไว้ตั้งไว้พอมีเ น, นัยะปัจจัยก็แปลว่าให้ตั้งไว้นิเวสเ ย, ยเอยะนี่แปลว่าพึงแปลว่าควรก็แปลว่าควรให้ตั้งไว้ ต่อไปบที่สามก็มาอัฐัญญะมนุสาเสยะเป็นสนธิเป็นสนธิอัถัญย์สับหนึ่งอนุสาเสยะสับหนึ่งอัฐัญยงบวกอนุสาเสยะอัฐัญญามนุนั่นนะก็คือเอานี้เหตุที่ยะเป็นมะเพราะสระหลังก็เลยเป็นมนุอะนุเป็นมนุอัฐัญยงอะนุ แก็สาเสยยะนี่แหละตัดเพียงแต่ว่ายะมนุเนี่ยเป็นยังอนุตรงเนี้ยคือตรงที่เป็นสนธิยะมนุคือยังบวกอนุสนธินี่ก็หิดอันนี้ก็หิดเป็นมะสับเดียวครับอนุสาเสยยะครับไม่ได้ตัดตรงนั้นครับอนุสาสยยะสับเดียวกันเป็นกิริยานคิริสัยยะปณิตโต อัตานเมวะปัธมังปติงรูปเปนิเวสเยอัทัญญะมนุษาเสยยะนกิลิตเสยยะปันดิโตดูนะจะแปลให้ดูอาตานังเอวะยังตนนั่นเทียวปัธมังกร น, นี่แปลไปตามดับศัพท์นะยังไม่เดินประโยคนะปติงรูปเปในาฐานะอันสมควรปติงรู ป, ป, ป่าแปลว่าสมควร ลงสัตมีพัฒนในสมควรก็คือในฐานะอันสมควรในที่สมควรนิเวสเยควรให้ตั้งไว้นิเวสเยควรให้ตั้งไว้อัถัญยังซึ่งบุคคลอื่นด้วยประโยชน์ซึ่งบุคคลอื่นด้วยประโยชน์อัถะแปลว่าด้วยประโยชน์อันยังก็แปลว่าซึ่งบุคคลอื่นซึ่งบุคคลอื่นด้วยประโยชน์อนุสาเสยะ พึงสั่งสอนพึงสั่งสอนพึงพร่ำสอนพึงแนะนำอนุสาเสยยะพึงพึงสั่งสอนนะกิริสเสยยะไม่ควรเศร้าหมองไม่ควรเศร้าหมองปันดิโตบันดิตทีนี้ก็เดินประโยคปันดิโตเป็นประธาน ในประโยคคาถาทั้งคาถาเนี่ยมีประธานเดียวกิริยาสามปันดิโตเป็นประธานนิเวสเยอนุสาเสยะและกิริษเสยะนี่เป็นประธานสามตัวเลย เ, เป็นกิริยาเป็นกิริยาสามตัวประธานหนึ่งตัวกิริยาสามตัวดูนะแปลประธานก่อนปันดิโตบัณฑิตหรือจะแปลว่าอันว่าบุคคลผู้เป็นบันดิตไม่ต้องยาวขนาดนั้นก็ได้ปันดิโตบัณฑิต อาตาังเอวะยังตนนั่นเที่ยวยังตนนั่นแหลยังตนนั่นแหละเอวะอะ้ว แ, แต่จะแปลแปลอย่างไรมันน่าฟังตามภาษาไทยก็แปลอาตาังยังตนนั่นเที่ยวนิเวสเยควรให้ตั้งไว้ควรให้ตั้งอยู่ควรให้ดำรงอยู่ปฏิกรูปเป ในฐานะอันสมควรปัมังก่อนปัมังก่อนบันฑิตจะตั้งตนไว้ดีตั้งตนไว้ชอบก่อนอนุสาเส ย, ยะควรสั่งสอนอัฐ น, นยังซึ่งประโยชน์ซึ่งบุคคลอื่นด้วยประโยชน์ณนะกิริตเส ย, ยะไม่พึงเศร้าหมอง บัณฑิตยังตนนั่นเที่ยวให้ตั้งอยู่ในฐานะอันสมควรก่อนพึงพั่มสอนควรสั่งสอนบุคคลอื่นด้วยประโยชน์ไม่พึงเศร้าโศกเออไม่พึงเศร้าหมองอโอ๋โจทยทุกตัวเลยเหรออ๋อถ้าเจทย์คำแปล ก, จปก็จะพาแปลต่างหากจะพาแปลต่างหากเนี่ยจะพาแปลต่างหากอันนี้แปลให้ดูยังไม่ได้บอกให้จทย บอกแปลให้ดูว่าแปลยังไงเอาจดทีนี้จคดคําแปลปัณฑิตโตบัณฑิตเขียนไปเลยเป็นตัวตวแยกก็มาเขียนต่างหากไม่ต้องจดลงในเล่มนี้เขียนตรงไหนก็ได้ใส่สมุดมนะู่นอะปันดีโตบัณฑิตอัตานังเอวะยังตนนั่นแหละอตานังเอวะยังตนนั่นแหลปันดีโตบัณฑิต อตาตางเอวะยังตนนั่นแหละนิเวสเยควรให้ตั้งอยู่เดี๋ยวจะว่าฟังไม่ทันเลยนะนิเวสเยควรให้ตั้งอยู่ปฏิรูเปในฐานะอันสมควรปฏิกรูเปในฐานะอันสมควรปัมังก่อน ปฐมังก่อนปฐมังก่อนใครว่าไหมอหังปฐมังอ่ะเคยพูดให้ฟังแล้วอหังปฐะะมังอหังปฐะะมังจะอะไรก็ช่างขอให้เป็นความดีเราต้องก่อนคนอื่นเา้าต่อไปอนุสาเสยะควรสั่งสอนควรสั่งสอนอนุสาเสยะควรสั่งสอน อัฐอัฐฐานยังอัฐถันยังซึ่งบุคคลอื่นด้วยประโยชน์ซึ่งบุคคลอื่ด NBC ALISSA Cara นด้วยประโยชน์ประโยชน์สามอย่างประโยชน์ในโลกนี้ประโยชน์ในโลกหน้าและประโยชน์สูงสุดนั่นเองด้วยประโยชน์ซึ่งบุคคลอื่นด้วยประโยชน์อัฐถันยังเนี่ยต่อไปณกิริตเสยยะไม่พึงเศร้าหมองณะก็แปลว่าไม่ กิริสเสยยะพึงเศ้าหมองไม่พึงเศ้าหมองทีนี้แปลโวหารให้ได้ภาษาไทยฟังง่ายๆบัณฑิตบัณฑิตควรดำรงตนนั่นแลบัณฑิตควรดำรงตนนั่นแลไว้ในฐานะอันสมควรก่อนบัณฑิตควรดำรงตนนั่นแล ไว้ในฐานะอันสมควรก่อนแล้วจึงสั่งสอนบุคคลอื่นด้วยประโยชน์แล้วจึงสั่งสอนบุคคลอื่นด้วยประโยชน์ จ, นคคนชนจึงจะไม่เศร้าหมองถ้าตัวเองไม่ดีสอนในคนอื่นก็ทําดีตัวเองก็เศร้าหมองต๊อกแต๊กอย่างนั้นนะลูกศิษย์ดีหมดตัวเองก็ไม่ดี <c oughs> ถ้าตัวเองดำรงตนไว้ดีแล้วสอนอื่นให้ดีด้วยก็ไม่เศร้าหมอง จะเศ้ามองอย่างไรฟังนิทานง่วงแล้วนี่ฟังนิทานตมารู้ว่าเรียนชั้นเนี่ยมีแต่คนง่วงก็เลยหานิทานมาแทรกกันช่วงช่วงชวงสมัยพุทธกาลภิกษุรูปหนึ่งนามว่าอุปนันทะสักยบุตรพระอุปนันทสักยบุตรได้ชื่อว่าสักยบุตรตามหลังนี่ไม่ใช่ธรรมดานะ ต้องเป็นเชื้อพระวงศ์ในศากขยวงศ์เลยแหละเป็นหลานพระพุทธเจ้าออกบวชติดตามเป็นพระชื่อว่าอุปนันทะเมื่อเป็นสักยะมีอุปนัน t h หลายรูปรูปนั้นก็ชื่ออุปนันทะรูปนี้ก็ชื่ออุปนันทะเพื่อจะให้แตกต่างจากรูปอื่นก็เลยเติมคําว่าศักขยะบุตรลงไปด้วยพระอุปนันทะศสักยะบุตร พระรูปนี้พอบวชมาแล้วนะท่านศึกษาปริยัตยิมีความแตกฉานเรื่องปริยัตยิพอสมควรมีความรู้มากมีปฏิพานวโวหารไหวพริบเฉียบคมมีอุบายแนะนำสั่งสอนผู้อื่นเป็นอย่างดีเยี่ยมเป็นพระธรรมกถึกนักเทศเพราะท่านรู้พุทธพจน์มากเมื่อรู้มาก ก็มีอุบายแนะนำสั่งสอนผู้อื่นเนี่ยมากจะสอนใครใช้อุบายพูดคำพูดเป็นเหตุเป็นผลเป็นสา ร, ระเป็นสุภาษิตออกไปไม่มีใครโต้แย้งได้เลยเพราะโวหารสำนวนของท่านพูดและผลคล้อยตามพูดให้คนหมดกำลังใจเกิดมีกำไรกาลังใจหึดึดขึ้นมาที่จะทำอะไรได้พูดให้คนเศร้าโศกเสียใจกับยิ้มแย้มแจ่มใสได้ พูดให้คนเกียจคร้านเบื่อนหน่ายต่อการเรียนปริยัติเกิดความอุตสาหะให้เรียนปริยัติได้ตมาอยากจะได้ยังข้อนพูดให้คนแตกแยกสามัคคีกันนะกลับคืนดีสามัคคีกลมเกลียวกันได้ดังนั้นเรียกว่าท่านมีปฏิพานโวหารไววพริบดีมาก <Yeah. S 1> เวลาไปเทศที่ไหนนะถ้าไปเทศในวัดพระฟังเทศของท่านแล้วอุย้ย ใจฟูขึ้นมาอยากจะสมาทานกรรมฐานอยากจะสมาทานธุดงค์อยากจะปฏิบัติให้แข็งขัดเ <_ d ata> พื่อให้ถึงความหมดจดจากกิเลสไปเทศวัดไหนวัดไหนโอ้ยพระเนนชมฌานช่างเทศดีเหลือเกินนี่มอนุ์อยู่วัด น, นี้เถิดขอรับท่านเป็นนักเทศอย่างที่ท่านยังไม่เป็นเหมือนคําที่เทศเนี่ยสอนคนอื่นได้แต่ท่านก็ยังเป็นผู้มากมากในลาบสาการะอยู่ สอนคนอื่นละลาบ ล, ละสักการะปฏิบัติเพื่อบรรลุมรคผลแต่ท่านยังติดลาบติดสักการะไปเทศที่ไหนก็มองหาธกันเทศไปเทศวัดหนึ่งพระเนนติดใจนิมนต์อาจารย์อาจารย์นิมนต์จาพรรษาที่นี่เถอขอรับติดใจอยากจะให้ท่านอยู่ด้วยอยากจะฟังอีกหรือไม่ก็อยากจะเรียนวิธีที่จะเทศได้อย่างท่านบ้างท่านก็ถามว่าอ้าวถ้าผมจําพรรษาที่นี่แล้วจะถวายอะไรผมล่ะ พระท่านก็เสนอว่าจะถวายจีวรหนึ่งไตรออกพรรษาแล้วจะถวายจีวรหนึ่งไตรเพราะว่าทุกปีวันออกพรรษาโยมจะเอาจีวรมาถวายหนึ่งไตรถ้าท่านจะพรรษาที่นี่ก็จะถวายเอองั้นผมรับพิจารณาแล้วก็ถอดรองเท้าทิ้งเอาไว้หนึ่งคู่แล้วก็ไปเทศวัดอื่นไปเทศวัดอื่นวัดนั้นก็ติดใจกันเทศไอติดใจคําที่ท่านเทศก็นีม่มรจำพรรษาที่นี่อาจารย์จำพรรษาด้วยกัน อา้าวแล้วผมจําีนี่แล้วจะถวายอะไรล่ะอะวัดนี้ทุกปีมีคนอัจีิวามาถวายสองไตรจะถวายท่านอ้าวงั้นผมจะอยู่ทิ้งไม้เท้าเอาไว้หนึ่งอันแล้วก็ไปเทศวัดอื่นต่อไป <c oughs> ไปเทศวัดที่สามพระขั้นกนิมนต์อีกอาจารย์นิมนต์จำพรรษาที่นี่เถ อ, อะก็ถามว่าถ้าผมจำพรรษาที่นี่ <c oughs> ผมจะได้อะไร <c oughs> ก็บอกว่าปกติวันออกพรรษายโยมจะถวายจีวรสามไตร จะถวายท่านเอองั้นผมจะอยู่แล้วก็ทิ้งร่มเอาไว้หนึ่งอันแล้วก็ไปไปวัดที่สี่ไปเทศอีกพระก็ติดใจนิมนต์ให้อยู่จำมรนสาอีกก็ถามว่าถ้าผมจำมรรษาที่นี่จะได้อะไรจะถวายจีวรสี่ไตรเออเอางั้นอยู่วัดนี้แล้วกัน <c oughs> ตัดสินใจอยู่วัดที่จะได้จีวรสี่ไตรเพราะใกล้วันเขา้ามรนสาไปต่อไม่ทันถ้ายังไม่เข้ามันสาอาจจะไปอีกหลายวัดกว่นี้นะ ถึงวันเข้าพรรษาอยู่จำพรรษาพอออกพรรษารับจีวรสี่ไตรที่เขาถวายในอาวาส น, นี้แล้วก็เดินสวนย้อนทางคืนไปถามทวงจีวรไปวันนั้นไหนล่ะจีวรผมอะ่ะเอา้าจีวร อ, อาจารย์ยังไงอาจารย์ไม่ได้อยู่ไม่อยู่ไงนี่ไงผมทิ้งร่มไว้นี่ไงสแสดงว่าผมอยู่อะ่ะของผมอยู่เนี่ยก็แสดงว่าผมอยู่พระท่านก็อา้าวจริงด้วยทํายังไงก็เลยยกจีวรทั้งสาไตรถวายท่าน ท่านก็ได้จีวรแล้วก็เดินไปวัดที่สองวัดที่สองไปทวงก็ขัดขืนไม่ได้ต้องยกจีวรสองไตรถวายท่านแล้วก็ย้อนคืนไปวัดแรกก็ไปทวงเอาบังเอิญวัดนั้นพระอยู่ด้วยกันหลายรูปมีจีวรไตรเดียวไม่พอจะแบ่งเมื่อไม่พอแบ่งก็ให้ไม่ได้เราท่านอาจารย์อา้าวไม่ให้ได้ยังไงก็พวกท่านเสนอให้ผมเองอ่ะว่าถ้าผมอยู่จะถวายจีวรหนึ่งไตรแล้วผมนีงไง ผมทิ้งรองเท้าเอาไว้เนี่ยแสดงว่าผมอยู่วัดนี้พระทั้งหลายก็ขัดขืนไม่ได้จําใจยกจีวรไตรเดียวที่ได้มาถวายพระอุปนัน t h พระอุปนัน t h ได้จีวรเยอะแล้วก็หอบพลงพลังกับวัดพระเชตวันภิกษุทั้งหลายพากันเดือดร้อนใจว่าเอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้ท่านอุปนันทะเป็นพระนักเทศสอนดีอย่างนั้นสอนดีอย่างนี้ทําไมทําตัวอย่างนี้ ก็เลยนําเรื่องราวต่างๆเนี่ยไปกราบทูลพระผู้มีพระภาค พ, พระผู้มีพระภาครับสั่งให้ประชุมสงฆ์เรียกท่านอุปนันทะ a สักยะบุตรเข้าเฝ้าตรัสถามว่าอุปนันทะภิกษุทั้งหลายมาฟ้องว่าเธอเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้จริงหรือเปล่าพระอุปนันทะก้องรับจริงพระผูะู้ได้เจ้าค่ะอุปนันทะเธอเป็นถึงสักยะบุตรทําไมทําตัวแบบนี้ เธอเนี่ยไม่ได้เป็นอย่างนี้แต่ชาตินี้เท่านั้นดอกนะแม้แต่อดีตแต่ชาติเธอก็เป็นอย่างนี้มาแล้วทําไมชาตินี้ยังเป็นอย่างเก่าอยู่ได้พบพระพุทธเจ้าผู้ประเสริฐอย่างเราแล้วทําไมยังทําตัวเหมือนเดิมอยู่เท่านั้นแหละท่านอุปนทาก็เริ่มเก้อเขินแล้วผิดสงหลายเป็นยังไงพระพุทธเจ้าครับเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรอดีตของท่านอุปนท์เป็นอย่างไรถามกันพระพุทธเจ้าเลยนําอดีตนิทานมาเล่า อดีตชาติของท่านอุปนันทะนะทำไมเป็นอย่างนี้ก็เลยเล่าไปว่าอดีตการนานมาแล้วนาน น, นู่นอะอโมอโมอโมนู่นนานมากแล้วมีนาคสองตัวนาคตัวหนึ่งชื่อว่าอนุตีงระนาคอีกตัวหนึ่งชื่อว่าคัมพีงระตีงระตีงระในแปลว่าฟัง อนุแปลว่าตื้นคำพีละแปลว่าลึกหน้าตัวหนึ่งหากินตามน้ําตื้นก็เลยเรียกหน้าตัวนี้ว่าอนุติงระเที่ยวหากินปลาตามน้ําตื้นลงน้ําลึกไม่ได้ขี้กลัวส่วนน้าอีกตัวหนึ่งชื่อคำพีละติงระหากินตามร่องน้ําลึกบังเอิญวันหนึ่งหน้าสองตัวต่างตัวต่างหากินมาเจอกันเข้าโดยบังเอิญ เห็นปลาตัวใหญ่ช่วยกันวิ่งจับปลาหน้าสองตัวช่วยกันวิ่งตะปบจับปลามาได้แต่จับปลาได้แล้วแบ่งกันไม่ลงตัวบอกว่าข้าเจอก่อนข้าต้องได้ส่วนหัวส่วนเจ้าเจอทีหลังเจ้าต้องได้ส่วนหางไม่ใช่นี่ข้าเจอก่อนเถียงกันอยู่นั่นแหละเวลานาสองตัวกําลังเถียงกันแบ่งกันไม่ลงตัวว่าใครจะเอาทางหัวทางหางแบ่งครึ่งกันแบ่งไม่ได้ ก็ต่างฝ่ายต่างอยากจะได้ทั้งหัวถ้าเป็นเราแบ่งปลาทูครึ่งตัวเอาหัวหรือหางถ้าปลาทูทอดกรอบๆ ก, ก็อยากจะเอาทางหัวถ้าดูแล้วไม่ค่อยกรอบเท่าไหร่ก็อยากได้ทางหางเป็นอย่างนั้นหมดเลยใช่ไหมอา้าวนั่นหลยเห็นไหมชอบอย่างเดียวกันคนอื่นก็จะชอบอย่างเนี้ยน้นถ้าเห็นปลาทูทอดกรอบแบ่งตัวเองจะเอาหัวไม่ได้ไอ้ฉันจะเอาหัวคนนั้นก็จะเอาหัวไม่รู้จะให้ใครทีเนี้ย หน้าสองตัวทะเลาะกันอยู่เจ้าสุนักจิ้งจอกอดีตชาติท่านอุปนันทะนี่แหละสุนั ก, กิ้งจอกเนี่ย mm hmm. เดินทางผ่านมาได้ยินเสียงหน้าสองตัวทะเลาะแย่งปลากันอยู่ไม่รู้มันร้องอย่างนี้หรือเปล่า mm hmm. <laughs> มันขู่กันฟู่ฟูฟี ฟ, ฟ, ฟีอยู่ตามสารนะฮะเจ้าสุนั ก, กิ้งจอกเอ้ยอะไรโดยปกติเจ้าสุนั ก, กิ้งจอกก็คือเล่เหลี่ยมจัดอยู่แล้วเจ้าเล่อยู่แล้ว ก็เลยรีบวิ่งไปดูพอหน้าสองตัวหันมาเห็นเจ้าสุนัข ก, กิ่งจอกยืนจ้องอยู่ก็เลยอุ๊ยดีแล้วดีแล้วลุงลุงมานี่หน่อยมานี่หน่อยเจ้าสุนัข ก, กิ่งจอกมีอะไรกันหน้าสองตัวก็บอกว่าข่าสองตัวเนี่ยจับปลาได้ตัวหนึ่งแบ่งกันไม่ได้เพราะต่างคนต่างตัวก็ต่างอยากได้ด้านซีบทางหัวซีบหางไม่มีใครอยากได้เฮ้ย เจ้าจริงจอเข้าทางแป๊ะเลยเฮ้ยไม่ได้หรอกพระราชาแต่งตั้งไอ้ข้าเป็นผู้ตัดสินคดีต้องรีบไปอยู่ไม่ได้เจ้าหน้าสองตัวได้ยินโอ้โหจะไปตัดสินคดียิ่งเหมาะเลยยิ่งเหมาะรอสักครู่ก่อนเพอรอรอรอหน่อยรอหน่อยช่วยแบ่งที่ที่ท่านเป็นผู้ตัดสินคดีรู้ความยุติธรรมแบ่งเลยแบ่งแบงแบงเฮ้ยไม่ได้ข้าต้องรีบไปะอยู่ไม่ได้อยู่นานไม่ได้เดี๋ยวพระราชารับสั่งหาไม่เจอข้า เดี๋ยวจะทรงเกลียวได้อยู่คอนเธรลุงอยู่คอนช่วยแบ่งน้อยช่วยแบ่งหน่อยก็เข้าทางเจ้าจิงจอกเจ้าเล่เอออ่ะข้าจะยอมเสียเวลาเพื่อเจ้าทั้งสองตัวเอาอย่างนี้สุนัขจิงจอกกัดปั๊บได้หางวางไว้ด้านหนึ่งกัดปับอีกเพีหนึ่งได้หัววางไว้อีกด้านหนึ่งมีทหารกับหัวจริงๆเลยนะไม่มีเนื้อเลยได้ทหางแบ่งๆทิ้งเอาไว้ได้แต่หัว ข ย, ขยุกขยิกกองเอาไว้ถามว่าใครหากินล่องน้ำลึกไอ้เจ้านาคตัวล่องน้ำลึกก็ยกขาปั๊บเอาเอาหัวไปใครหากินน้ำตื้นไอ้เจ้าอีกตัวหนึ่งก็เสนอหน้าอา้าวเอาหางไปส่วนตรงกลางนี้เป็นค่าแบ่งของข้าเจ้าสุนทรีงจอกคาบตรงกลางได้ก็วิ่งไปเลยอยู่นานไม่ได้เดี๋ยวพระราชาจะคิ้วต้องรีบไป ตรงกลางเนื้อทั้งเนื้อไปวิ่งนหนีนาคสองตัวได้แต่ชะางเนื้อมองตามหลังพูดอะไรไม่ออกสุดท้ายมานั่งปรองสังเวชกันอยู่ว่าเป็นเพราะเราแท้แท้ถ้าเราแบ่งกันใครก็ได้อย่างน้อยก็ได้เนื้อบ้างแหละจะได้ส่วนหัวส่วนหางก็แต่ตอนนี้หัวก็หัวจริงๆไม่มีเนื้อเลยสักหน่อยได้หางก็ได้แต่หาง มัวแต่ทะเลาะกันเลยเสียของดีไปซะนี่เขาคุยเจ้านำอดีตนิทานเรื่องนี้มาแล้วก็ตรัสกับพิสูจน์สงว่าพิสูุนทั้งหลายสุนับจิ้งจอกในอชาติโน้นน่ะก็คืออุปนันทะในชาตินี้นี่เองอุปนัน tha ตอนนี้เริ่มเขินอายอายม้วนหลบไปอยู่ตรงไหนนั่งอยู่ท่ามกลางสงก็ได้แต่เก้อายพอคุยเจ้าสรุปชาดกแล้วก็เลยตรัสคาถาเนี้ย ตรัสคาถามว่าผู้เป็นบัณฑิตเนี่ยควรตั้งตนไว้ในฐานะที่สมควรก่อนจึงสั่งสอนผู้อืน่นถ้าทําอย่างนั้นได้แล้วก็จะไม่เศร้าหมองในภายหลังเหมือนอุปนันทะเวลานี้ไม่ตั้งตัวเองไว้ในฐานะสมควรมัวแต่สอนคนอื่นเห็นไหมตอนนี้กําลังนั่งเศร้าเชียวพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บตอนแรกตมาก็อยากจะได้วาทท้าพูดแต่อยากเรียนบาลีตอนนี้ไม่อยากได้แล้ว ตอนแรกเข็ยนท่านวนั้นถ้ามีโวหารแตกฉานพูดให้คนไม่อยากเรียนบาลีอยากเรียนบาลีได้ใช่ไหมตมาก็อยากได้วิชาอย่างนี้บ้างพอเป็นอย่างนี้แล้วตอนนี้ไม่อยากได้และไม่ไม่อยากได้บาลีไม่อยากได้อุบายอย่างนี้ละเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องสอนภิกษุโดยตรงนะภิกษุพเพราะภิกษุนี่เป็นนักสอนหรือใครก็าตามที่เป็นนักสอนจะสอนใครให้ทําความดีอะไรตนเองต้องทําให้ได้ดีก่อนแล้วจึงสอนผู้อื่น ถ้าทำได้อย่างนี้เวลาสอนตัวเองก็เบิกบานผู้เรียนรู้ตามก็เป็นผู้เบิกบานเรื่องปฏิพานเคยเล่าให้ฟังหลายทีแล้วปฏิพานปฏิกรูปเปแปลว่าสมควรในความสมควรภาษาไทยก็มาใช้ปฏิกรูปปฏิกรูปทำให้สมควรเคยเล่าให้ฟังหรือยังเรื่องปฏิพานปฏิพานหลวงตานจาได้ไหมปฏิพานหลวงตา ที่โยมเขาไปถวายข้าวกับน้ําำหลวงตาเจ้าปฏิพานที่คนมีปฏิพานไหวพริบเนี่ยสามารถที่จะพูดให้คนเศร้าใจเนี่ยเบิกบานใจได้ทําให้คนงงงิบลำคาญเกิดความพึงพอใจได้มีหลวงตารูปหนึ่งวันหนึ่งโยมผู้หญิงคนหนึ่งอยากจะทําบุญเนื่องในวาระอะไรก็ไม่ได้บอกทำบุญวันเกิดหรือเปล่าเพราะปกติไม่ได้ทํา แล้วก็ไม่เคยรู้หรอกว่าทาบุญแล้วจะได้อา น, นิสงส์อะไรอย่างไรบ้างทําบุญได้รับผลอย่างไรรักษาศีลได้รับผลอย่างไรไม่ค่อยจะได้ยินได้ฟังแต่วันนี้อยากจะถวายทานก็นําข้าวกับแกงไปถวายพระไปที่วัดพบหลวงตารูปนี้เข้าก็ขอถวายนิมนต์ท่านรับทานโยมหน่อยโยมจะถวายทานโยมก็ถวาย ดวงตาก็รับประเคนเสร็จแล้วก็ว่วยผ่อโยมโยมได้ถวายพรตทหารในวันนี้ได้อานิสงฆ์5้าอย่างนะโยมนะคืออายุวันณนะสุขะภะและปฏิผานโอ้โยมไม่เคยทําบุญไม่รู้หรอกว่าถวายทหารเนี่ยได้อานิสงฆ์อะไรวันนี้รู้แล้วได้5้าอย่างสาธุเจ้าค่ะแล้วก็เปลี่ยนภาชนะเสร็จกราบล้โยมจะไปแล้ว ลากลับลงกุฏิไปขณะที่เดินลงบันไดกุฏิไปเนี่ยก็เจอโยองผู้หญิงคนหนึ่งสวนทางขึ้นมาถามว่าพระอยู่ไหมมาทําไมคะจะมาอาน้ำมาถวายพระหน่อยอยู่อยูอยู่อยู่ข้างบนนั่นแหละก็เดินสวนขึ้นไปฉุกคิดมาได้เออเมื่อกี้เราถวายข้าวกับแกงได้อันดีสองห้าอย่างเอ๊ะคนนี้ถวายน้ํำอย่างเดียวได้อันดีสองกี่อย่างนะแอบฟังซะหน่อยก็เลยไม่ได้เดินลงบันไดไปหรอกแอบฟังอยู่บนบันไดนั่นแหละ ขึ้นไปก็ถวายน้ำหนึ่งขวดหลวงตาก็บอกว่าเมื่อกี้ไอพรแต่ละถวายข้าวถวายกับได้อันนี้สงฆ่าอย่างที่เราจะบอกว่าได้เท่าไหร่วะทีนี้วะก็เลยบอกโยมว่าอ๋อโยมโยมถวายน้ำหนึ่งขวดนี่ได้อันนี้สงสิบอย่างนะโยมนะเลยเจ้าคะเออได้อันนี้สงสิบอย่างโอ๊โหสาธุดีแล้วก็ไม่ถามหลอกอันนี้สงสิบอย่างคืออะไรหลวงตา ก, ก็ไม่ได้บอกหรอกอานนี้สงสิบอย่างอะไรบ้าง เท่านั้นแหละโยมที่ขึ้นมาถวายก่อนซุ่มฟังอยู่บันไดนะไม่พอใจเลยปุ๊ป ป, ปุขึ้นมาเอ๋หลวงตานี่เมื่อกี้โยมถวายนั้งข้าวทั้งแกงทํำไมได้ห้าอย่างนี่เจา้าคนนี้ขึ้นมาถวายน้ำกวดเดียวทำไมได้นี่สงฆ์มากกว่าโยมมาทั้งสิบอย่างไม่พอใจ <c oughs> เออหลวงตาเอาตายแล้วทีนี้จะทํำยังไง <c oughs> นึกขึ้นมาได้อ๋อโยมใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นเมื่อกี้โยมถวายกับข้าวมามันเป็นแกงไหมละ่ะใช่ในแกงมีน้ํำไหม มีถ้าอย่างนั้นโยมก็ได้อ น, นิสงส์สิบห้าอย่างนะสิเลอแล้วก็ลากลับไม่รู้อะไรสิบห้าอย่างเป็นทานแก้ปัญหาเฉพาะหน้าปฏิพานของหลวงตานิทานเล่าให้กันฟังให้เฉยไม่มีไม่มีสุภาษิตรับรองหายง่วงยังเอาแปรคาถาว่าคาถาหนึ่งจบแล้วก็แปรแปรสองอย่างเลยยกสับแปรแปลโวหาร Wuhan. ตาณเมวะปัทมังปติเงรูเปนิเวสเยอาถญญามนุษาเสยนะนกิริเสยปันติโตปันฑิโตปันดิตอาตางเอวะยังตนนั้นแลนิเวสเยควรให้ตั้ง ปาิียงรูปเปในฐานะอันสมควรปัธมังกรอนุสาเสยะควรสั่งสอนอาัญยังซึ่งบุคคลอื่นด้วยประโยชน์นกิกลิเสยะไม่พึงเศร้าหมองบันเด็ ควรดำรงตนนั่นแลไว้ในฐานะสมควรก่อนแล้วจึงสั่ง ส, งสอนบุคคลอื่นด้วยประโยชน์จึงจะไม่เศร้าหมองไม่เข้าใจคำไหนถามนะต่อไปดูภาคภาษาไทยเป็นบาลีขอ้กอก่อเจ้าหนายยังคนใช้ให้หงซึ่งข้าว อัตมาพยายามเว้นสัพ์ให้เห็นน ะ, นะว่าแต่ละคำนี่คือสัพ์แต่ละสับไม่ให้ติดกันเจ้านายบาลีว่าไงสามีโกยังคนใช้ยังคนใช้ยังคนใช้คนใช้ภาษาบาลีว่าไงถ้าคนใช้ผู้ชายก็ทาโศคนใช้ผู้หญิงก็ทาสีจ้าผู้หญิงหรือผู้ชายถ้าผู้ชายก็ทาสังถ้าผู้หญิงก็ทาสิง เอาสักอย่างหนึ่งสนสนมากคนใช้เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายอ้าวเอาทาสังเอาทาสังยังคนใช้ทาสังให้หงให้หงให้หงซึ่งข้าวโอทนังโทนทีนี้เขียนประโยคให้ถูกสามิโกทาสังโอทนัง ปาเจติอ่าเขียนทีเนี้ยสามิโกทาสังโอทนังปาเจติสามิโกทาสังโอทนังปาเจติจ ต, ต่อไปขอ้อขอภิกษุยังอุบาสกและอุบาสิกาให้ถวายซึ่งภิกษาภิกษุภิกขุ ยังอุบาสกและอุบาสิกายังอุบาสกและอุบาสิกาบาลีว่าอุปาสกัรอุปัสกังถ้าเขามีว่าทั้งหลายก็เป็นอุปาสเกอุปาสกังอุปาสกัรมีศัพท์เดียวจริงแต่ให้แปลว่าอุบาสกและอุบาสิกาเพราะท่านลบศัพท์หนึ่งอุปาสการยังอุบาสกและอุบาสิกาให้ถวายทาธาเปติ ซึ่งภิกษัเขียนประโยคให้ถูกว่าภิกขุอุปาสกังภิกขังทัาเปติภิกขุอุปาสกังภิกขังททาเปติข้อ ข, ททข อ, ขอพระาศาสดายังภิกษุทั้งหลายให้ฟังซึ่งทมพระาศาสดาบาลีว่า สัทธายังภิกษุทั้งหลายภิก ข, กขูให้ฟังให้ฟังไม่ถูกให้ฟังสุนาเปติสุนาเป ต, เ ต, เติซึ่งทำทำมั ง, มงเรียงประโยคให้ถูกว่าสัทธาภิกขู ทำมังสุนาเปติสุนาเปติโนเนนสุนาเปติสุนาเปติให้ฟังศัทธาภิขูทำมังสุนาเปติสงสัยคำไหนถามคำไหนไม่ทันประธานอยู่หน้าตลอดส่วนมากถ้าไม่มีนิบาดนะถ้ามีนิบาตต้นข้อความ มีคำอืนอ่นๆประธานอาจจะย้ายตำแหน่งไปอยู่ข้างหลังจากนั้นได้แต่ถ้าไม่มีอย่างอื่นมีแค่ประธานคริยากรรมธรรมดาประธานก็มักอยู่ข้างหน้าเสมอนิบาดบางตัวเนี่ยขึ้นต้นเลยนิบาดบางตัวไปอยู่ตำแหน่งหลังๆนั้นตัวประธานอาจจะย้ายตำแหน่งจากจากหน้าสุดไปได้คำไหนก็ได้แต่ถ้าคำว่าภาษาสดาก็ใช้สัพท์ตรงๆว่าสัตว์ถุลงศีเป็นสัทธาแต่ถ้าท่านแปลว่าพระพุทธเจ้าแล้วก็ใช้ว่าพุโทโธ ถ้าท่านใช้ว่าพระผู้มีพระภาคเราก็แปลว่าพระขว่าแต่ว่าจะใช้คําไหนก็ได้มันแปลเหมือนกันหมดเลยแปลว่าพระพุทธเจ้าเหมือนกันหมดภาษาสดาก็คือพระพุทธเจ้านั่นแหละเคยไล่ให้ฟังแล้วสามสิบสองคำอ่ะใช้คําไหนก็ได้แปลว่าพระพุทธเจ้าสงสัยไหมสูตรประโยคว่ายังไงประธานอยู่หน้ากิริยาอยู่ท้ายตัวขยายอยู่หน้าตัวถูกขยาย ลดหลั่นกันไปตามลาดับวิพัฒน์อีกครั้งอ่าว่าสิประธานอยู่หน้ากิริยาอยู่ท้ายตัวขยายอยู่หน้าตัวถูกขยายลดหลั่นกันไปตามลาดับวิพัฒนตัวขยายอยู่หน้าตัวถูกขยายตัวขยายอยู่หน้าตัวถูกขยายลดหลั่นกันไปตามลาดับวิพัฒน์ถ้าลำดับเฉยๆไม่มีวิพัตน์ก็ไม่รู้ลำดับอะไรอีกนะ ประธานอยู่หน้ากริยาอยู่ท้ายอันนี้คือประโยคธรรมดาทั่วไปนะ